คนหนึ่งอนาะยุ80ออปีแล้วป่วยด้วยลรมะเร็งแล้วเปนหนึ่งก็ลามนะเรีวยกว่าคนป่วยก็เข้าสู่ระยะสุดท้ายลูกชายเนี่ยก็พยายามเรียกร้องให้หมอทำทุกอย่างเพื่อช่วยแม่จเจาะคอใส่ท่อ หรือแม้จะต้องผ่าก็ยอมตัวผู้ป่วยเองก็ไม่ค่อยมีความรู้สึกตัวเท่าไหร่ล้วหมอก็เห็นว่าผู้ป่วยนี้ก็อยู่ในระยะท้ายแล้วก็รู้ว่าเนี่ยถ้าทาตามที่ลูกชายแนะนำเนี่ยผู้ป่วยก็จะทุกข์ทรมานมากแล้วก็พยายามอธิบายให้ลูกชาย เข้าใจสถานการณ์ของแม่แต่ลูกชายก็ยังยืนยันนะให้ให้หมอสู้นะทำยังไงก็ได้เพื่อให้แม่ได้อยู่ต่อไปเขาก็มีความหวังว่าเนี่ยถ้าสู้เนี่ยเต็มที่เนี่ยแม่ก็อาจจะรอดเรื่องน้อยก็ สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ยืนยาวไปอีกสักระยะหนึ่งจะเป็นเดือนหรือจะเป็นปีก็ยิ่งดีหมอก็พยาอธิบายนะว่าเนี่ยคนไข้เนี่ยเอาไว้อังการนี่ก็แย่หมดละเพราะว่ามาเดิมก็ลามไปเยอะแต่ทำยังไงยังไงเนี่ยมันก็มีแต่จะเพิ่มความทุกข์ทรมานให้กับผู้ป่วย จะไม่ดีกว่าหรือนะที่ดูแลแม่ด้วยการใช้วิธีแบบประคับประคองก็คือช่วยบรรเทาอาการไม่ให้มีความทุกข์ทรมานมากแต่ว่าไม่ได้ยือ้อชีวิตลูกชายก็ยังยืนกลานนะว่าให้หมอทำเต็มที่เลย หมอก็เลยพยายามคุยกับผู้เป็นลูกแต่ไม่ได้คุยเพียงแค่ว่าทีแจงสถานการณ์ของผู้เป็นแม่แต่อยากจะถามเหตุผลอยากจะรู้ว่าทำไมลูกเนี่ยจึงยืนยันที่จะให้หมอเนี่ย สู้เต็มที่หมอก็ดีนะก็ไม่พยายามที่จะยืนยันความห็นตัวแต่อยากจะรู้เหตุผลนะของผู้เป็นลูกผู้เป็นลูกก็บอกว่าเนี่ยก็ตัวเงเนี่ยจึงมีความหวังหรืออยากจะให้แม่เนี่ยได้ฟื้นนะแเชื่อว่าเนี่ย มันเป็นไปได้นะที่แม่เนี่ยจะออกจากโรงพยาบาลแล้วถ้าจะมีชีวิตยอยู่ต่อไปสักเดือนสองเดือนเขาก็พอรับได้หมอก็เลยถามว่าทำไมเนี่ยถึงมีความปรารถนาอย่างนั้นหรือมีความเชื่อว่า แม่เนี่ยยังสามารถจะฟื้นขึ้นมาได้อย่างน้อยก็สองสเดือนหรือว่าส3ามอาทิตย์ก็ยังดีผู้เป็นลูกก็บอกว่าเนี่ยเองเนี่ยเคยบอกแม่ว่าเนี่ยอยากจะพาแม่ไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือไปเที่ยวต่างประเทศ แต่ว่าตุวแลกตุวรอยก็ไม่ได้ไปเพราะว่ากิดพันธ์กับงานนี่ตัวเองก็ใกล้กเกษียณแล้วที่แรกคิดว่ากเกษียณเนียก็จะมีเวลาพาแม่ไปเที่ยวแต่ว่าถ้าว่าแม่จะมีชีวิต อ, อยู่ได้ไม่นา น, นก็ อยากจะให้แม่เนี่ยได้มีโอกาสที่ลูกเนี่ยจะพาแม่ไปเที่ยวก็เลยมีความหวังว่าเนี่ยปฏิหารมันจะเกิดขึ้นได้ก็ไม่ได้หวังอะไรมากไม่ได้หวังว่าแม่จะรอดชีวิตแต่อย่างน้อยถ้าอยู่แรกสักสองสามเดือนสองสามอาทิตย์ก็ยังดี จะได้พาแม่ไปเที่ยวอย่างที่รับปากเอาไว้เขาก็ถามต่อไปว่าเนี่ยทำไมถึงอยากพาแม่ไปเที่ยวลูกก็ตอบว่าอยากจะได้มีเวลาอยู่ด้วยกันกับแม่มีเวลาอยู่ด้วยกันอย่างใกล้ชิดเพราะว่า ที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้ใช้เวลานานๆอยู่กับแม่เท่าไหร่ก่อนหน้านี้ก็หวังว่าเนี่ยถ้าได้พาแม่ไปเที่ยวเราก็ได้อยู่ด้วยกันนะได้ใช้เวลาที่มีคุณภาพด้วยกันแม่เนี่ยในเมื่อแม่เนี่ยนอนแบบนี้ป่วยแบบนี้เนี่ย ก็ยังหวังว่าเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะได้พาแม่ไปเที่ยวอย่างน้อยก็สักระยะหนึ่งนะก่อนที่แม่จะจากไปเราก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าว่าอยากจะมีเวลาอยู่กับแม่ทำไมถึงคิดว่ามันต้องไปเที่ยวเท่านั้นนะถึงจะได้อยู่กับท่านตอนนี้ท่านก็อยู่ที่โรงพยาบาลนะ ทำไมไม่ใช้เวลาไม่คิดว่าเราจะมาใช้เวลาอยู่กับท่านที่นี่นะการได้อยู่กับแม่ที่โรงพยาบาลมันก็เป็นโอกาสนะที่จะได้ทาตามความตั้งใจก็คือได้มีเลาอยู่ได้กันมีเวลาที่จะได้ดูแลแม่มีเวลาที่จะได้เอาใจใส่แม่ แม่อยู่โรงพยาบาลก็ทำได้นะไม่ใช่ว่าจะต้องให้แม่ออกจากโรงพยาบาลจึงจะอยู่ได้กันกับแม่ด้วยการพาแม่ไปเที่ยวพอหมอผู้เท่านี้คนไข้แกเอาผู้ป่วยก็ได้คิดขึ้นมาเลยเออใช่สินนะไม่ต้องพาแม่ไปเที่ยวก็ได้อยู่กับแม่ที่โรงพยาบาลนี่แหละ ถ้าอยู่กับท่านใช้เวลาช่วงไายทายอยู่กับท่านมันก็ได้อยู่พอได้คิดเชนนี้เนี่ยคนที่เป็นลูกก็เลยเลิกนะความคิดเนี่ยที่จะคาดคันกดดันให้หมอเนี่ยทำทุกอย่างเพื่อให้แม่ได้ รู้สึกตัวดีขึ้นแล้วก็กลับไปบ้านซึ่งมันก็เรียกว่าเป็นไปไม่ได้แล้วแต่ว่าผู้เป็นลูกเนี่ยทีแรกก็ไม่ยอมรับนะว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าอยากจะทําตามความปรารถนาที่รับปากกับแม่ไว้ว่าจะพาแม่ไปเที่ยว แต่ลืมถามนะตัวเองไปว่าเนี่ยที่อยากพาแม่ไปเที่ยวเพราะอะไรจูดมงหมายคือเพื่อได้อยู่กับท่านได้เวลาอยู่กับท่านอย่างมีคุณภาพในเมื่อมีความประสงค์เช่นนั้นเนี่ยก็ไม่เป็นต้องพาท่านไปเที่ยวก็ได้เพราะมันเป็นไปไม่ได้แล้ว ก็อยู่กับท่านที่โรงพยบาบาลนี่แหละงทีคนเราก็ลืมไปนะว่าที่เราปรารถนาอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยเพราะอะไระลูกเนี่ยอยากจะพาแม่ไปเที่ยเพื่อที่จะได้มีเวลาอยู่ด้วยกันนานๆูนน่เวลาอยู่ด้วยกันอย่างใกล้ชิดแต่ว่าทำไปทำมาก็ลืมวัตถุประสงค์ข้อนี้ จิตเนี่ยไปยึดติดกับตรงเรื่องไปเที่ยวพาแม่ไปเที่ยวพอจิตยึดติดอยู่ตรงเนี้ยก็จะต้องพยายามทำยังไงก็ได้เพื่อให้แม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อที่เรอยได้พาแม่ไปเที่ยวแต่ลืมไปว่าเนี่ยที่อยากให้แม่อยากพาแม่ไปเที่ยวเพื่อได้อยู่กับท่านถ้าชัดตรงนี้ น, นะ มันก็มีวิธีหลายอย่างที่จะได้อยู่กับท่านไม่ใช่ว่าต้องพาแม่ไปเที่ยวอย่างเดียวอยู่กับท่านที่โรงพยาบาลก็ได้พอชัดตรงนี้นะนะลูกผู้ป่วยนี่ก็เลยไม่คิดจะยื้อแม่ต่อไปแล้วยอมรับได้ว่าเนี่ยการยื้อแม่เนี่ยมันเป็นทำให้แม่ทรมานแล้วก็ไอ้การที่ จะหวังให้ท่านเนี่ยนะดีขึ้นสามารถกลับไปบ้านแล้วไปเที่ยวกับลูกได้เนี่ยมันมันคือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้สุดท้ายเนี่ยคนไข้ก็นะไม่ได้ถูกยืย อ, อต่อไปนะลูกก็ตัดสินใจนะลา ง, งานนะมาอยู่กับแม่ เป็นอาทิตย์เลยนะก็ได้อยู่ด้วยกันอย่างที่ตั้งใจไ้เพียงแต่ว่าไม่ได้ไปเที่ยวเท่านั้นคนเราเนี่ยบางทีเรามีความตั้งใจหรือมีวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งและเราคิดว่าเนี่ยจะบรรลุวัตถประสงค์อย่างนี้ได้เนี่ยมันต้องทำอย่างนี้แต่พอ เวลาผ่านไปเนี่ยเราก็ลือวัตถุประสงค์ที่ต้องการนะไปจดจ่อยุติกับวิธีการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์อย่างเพื่อนร่วมรุ่นเนี่ยนะนัดกันนะประชุมกันว่าเนี่ยเราอยากจะไปเที่ยวด้วยกันเพื่อทีไ่ได้กระชับความสัมพันธ์ ก็มีคาถามว่าจะไปเที่ยวที่ไหนดีคนหนึ่งก็บอกภูเก็ตอีกคนหนึงก็บอกเชียงใหม่เพราะก็ตกลงกันไม่ได้ทุ่มเทียงกันที่แรกก็แค่แสดงความเห็นเรืออภิปรายกันแต่ตอนหลังก็พอความเห็นไม่ลงกันก็เลยทุ่มเทียงกันจนกระทั่งเกิดอารมณ์ทำท่าจะ หัดแย้งกันขึ้นมาอันนี้เป็นพ่ออะไรเป็นพ่อลรืมแปบว่าเนี่ยเราไปเที่ยวเพื่ออะไรนะไปเที่ยวเพื่อได้สนุกสนานแล้วก็ทำให้ความสมัคกระชับแน่นแต่พอไปยึดติด ก, กับว่าไปเที่ยวที่ไหนดีตรงนี้ก็เกิดปัญหาเลยนะ พอคนหนึ่งบอกไปเที่ยวเชียงใหม่ค น, นบอกภูเก็ตกลายไปว่าเกิดความขัดแย้งขึ้นมาการไปเที่ยวกับกลายเป็นชนวนให้เกิดความขัดแยง้งท้งที่ไปเที่ยวเพื่ออะไรนะก็เพื่อลอยได้สนุกด้วยกันเพื่อที่เาจยได้สามาคัคคีนั่นแฟนคือถ้า ชัดนะว่าเราไปเที่ยวเพื่ออะไรเนี่ยมันก็ไม่เสียมันก็ไม่เสียเวลาไม่ยอมเสียไม่ยอมที่จะมาทะเลาะ ก, กันหนึ่งนะทะเลาะทําไมนะขัดแย้งกันทําไมจะเที่ยวที่ไหนก็ได้เพราะว่ามันก็วัตถุประสงค์คือเพื่อที่ลอยได้สามัคคีกันเพื่อที่ได้สุขสนานพักผ่อนด้วยกันสมานความสัมพันธ์กัน แต่พอลืมจุดหมายนะว่าไปเทื่อเพื่ออะไรมันก็เลยไปทุ่มเทียนกันว่าจะไปเที่ยวที่ไหนดีก็ทำให้เกิดผลที่ตรงข้ามนะก็คือมีเรื่องกินใจกันบางทีก็ถึงกับไม่มองหน้ากันเพราะว่าเวลาทุ่มเทียนกันแล้วมันก็บางทีก็ไปขุดคุยเอาเรื่องอื่นมาผสมลงด้วย คนเราเนี่ยนะถ้าเราลืมวัตถุประสงค์ที่แท้เนี่ยมันก็ง่ายที่จะไปยึดติดอยู่กับวิธีการที่บรรลุวัตถุประสงค์แล้วก็ไปทะเลาะ ก, กันตรงนั้นหรือไปพยายามผักดันให้สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นตามใจตามความต้องการของตัว โดยที่ไม่สนใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นตามมาอันนี้ก็เรียกว่าเป็นศิลปะปรามาสอย่างหนึ่งนะศิลปะปรามาสคือว่าการไปติดยึดกับวิธีการจนลืมเป้าหมายนะว่าเราทำไปเพื่ออะไรไม่มีหลายคนนะพยายามที่จะทำงานหนักเพื่ออะไรนะก็เพื่อครอบครัว พยาางานหนักหาเงินหาทองนะเพื่อให้ครอบครัวมีความสุขนะมีบ้านที่มีชีวิตที่สุขสบายมีการศึกษาที่ที่ดีก็ทำงานหนักนะไม่ว่าจะพูดเป็นพ่อหรือเป็นพูดเป็นแม่ก็ตามแต่ทำไปทำไปเนี่ยนะไปเอาเงินเป็นเป้าหมาย กา ท, ที่เงินเนี่ยคือวิธีการที่จะช่วยให้ครอบครัวมีความสุขหลายคนคิดแบบนั้นนะว่าถ้ามีเงินเยอะมีเงินพอเพียงก็จะทให้ครอบครัวมีความสุขมีบ้านมีรถมีการศึกษาที่ดีแต่พอทำไปทาไปเนี่ยไอ้เงินหรือความสำเร็จของอาชีพเนี่ยมันกลายเป็นเป้าหมาย ก็กลายเป็นว่าเนี่ยไม่มีเวลาให้กับครอบครัวเลยพ่อแม่ก็ไม่มีเวลาให้กับลูกนะหรือบางทีไม่มีเวลาให้กับพ่อแม่ของตัวพ่อไปยึดเอาเอาเงินเอางานเอาความสำเร็จเนี่ยกลายเป็นเป้าหมายแทนทั้งที่มันเป็นแค่วิธีการหรือแค่ปัจจัยนะที่จะนาไปสู่การบรรลนะุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ คือครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวที่สุขสบายก็เป็นอย่างนี้กันเยอะวิธีการมันกลายเป็นเป้าหมายส่วนเป้าหมายที่แท้ก็ถูกลืมไปมันก็เหมือนกับศิรพัตตาปรมาคือว่าไปยึดกับธทมเนียมรูปแบบพิธีกรรมนะจนกระทั่งลืมว่าเป้าหมายที่แท้คืออะไรอย่างเช่นการสวดมนต์เนี่ยนะ มันวัตถุประสงค์คือเพื่อให้จิตใจเราสงบนะเพื่อให้ใจเรานะมีสติและเพื่อครายครวนให้เกิดปัญญาแต่พอลืมวัตถุประสงค์นี้เนี่ยนก็ไปยึดติด ก, กับการสวดมนต์แทนสวดไปใจก็ลอยสวดไปก็หงุดหงิดไปพอมีเสียงดังหรือว่าไม่พอใจคนที่มารบกวนขณะที่เราสวดมนต์ คือไปเอาวิธีการเป็นเป้าหมายเช่นเดียวกันนะหลายคนก็ต้องการชีวิตที่ผาสุขนะและคิดว่าความผาสุขจะมีได้เนี่ยมันต้องมีเงินมีงานที่ดีแต่ทำไปทำไปเนี่ยความสุขนะก็ถูกมองข้ามเงินงานกลายเป็นเป้าหมายแทนแล้วก็พยายามหาเงินพยายามนะทำงาน จนบางทีเครียดนะไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่ได้พักผ่อนยิ่งหาเงินยิ่งเครียดยิ่งทางานก็ยิ่งไม่มีความสุขลืมถามตัวเองว่าเราทำเพื่ออะไรนะเราทำเพื่อความสุขไม่ใช่หรือแต่ทำไมยิ่งทำยิ่งทาเนี่ยมันถึ ง, งเครียดมันถึงกลายเป็นอมทุกข์เนี่ยอันนี้เพราะลืมนะลืมวัตถุประสงค์ ไปจดจ่ออยู่กับวิธีการแทนอันนี้ก็เรียกเป็นความหลงอย่างหนึ่งนะเรียกว่าไม่มีสัมปชัญญะสัมปชัญญะเนี่ยมี4ประการสัมปชัญญะเราเรียกสั้นๆว่าความรู้ตัวแต่ที่จริงเนี่ยมันมีความหมายมากกว่า น, นั้นหรือว่ามีความหมายที่ ละเอียดเราออกกว่านั้นเช่นเวลาเราทําอะไรเนี่ยเรารู้ชัดในเป้าหมายอันนี้ก็เรียกสัพพัญญานะหรือว่าตนหนักชัดในเป้าหมายอันนั้าเรียกว่าสาทกะสัพปปชัญญะคือทำอะไรก็รู้เป้าหมายคืออะไรนะทำงานหนักก็เพื่อครอบครัวไม่ลืมนะว่าเราทําเพื่อครอบครัว แต่ถ้าลืมนะลืมครอบครัวไปเพราะไปจดจ่ออยู่กับงานทุ่มเทกับงานจนลืมครอบครัวไม่มีเวลากับครอบครัวอันนี้เรียกว่าหลงนะก็คือไม่มีศัทธกะสัพัญญะลืมวัตถุประสงค์ไปแล้วก็เป็นกันเยอะนะเพราะว่าคนเราเนี่ยพอเราทําไปทําไปเนี่ยไอ้สิ่งที่เราทํามันกลายเป็นเป้าหมายแทนจนเราลืมถามว่า ทำไปเพื่ออะไรนะเป็นความหลงนะส่วนสัพชัญญายอันหนึ่งที่เราพูดกันบ่อยนะก็คือว่ารู้ชัดในสิ่งที่ทําว่ากําลังทําอะไรอยู่อันนี้เ่านเรียกว่ากุจระสัมปชัญญะเช่นชเดินจงกรมก็รู้ว่ากาลังเดินสวดมนต์ก็รู้ว่ากำลังสวดมนต์แต่บางทีเดินจงกรมแต่ว่าใจมันลอย ไปวางแผนงานแทนเดินไปใจก็วางแผนจะทำโน่นทำนี่บางทีคิดถึงแผนการที่จะทำตลอดปีนี้บางที่งคิดถึงแผนการไปเที่ยวอันนี้ตอนนี้เรียกว่าไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ไอ้โคจิดรักษาบัญญันี่ก็สำคัญเพราะว่าพอเราไม่รู้ว่ากลังทาอะไรอยู่มันก็หลงมันก็ลอย แล้วที่จริงถาว่าเราเนะี่ยมีสัพพัญญะคือรู้ชัดในกิจที่ทำที่เรียกว่าโคจรัสสัพพัญญะเนี่ยรู้ชัดในแดนงานที่ทําให้การที่เราจะหลงลืมว่าทําไปเพื่ออะไรมันก็จะเกิดขึ้นน้อยลงที่คนเราเนี่ยลืมแปลว่าเราทําเพื่ออะไรไม่ตระหนักชัดในจุดหมายเนี่ยหรือว่าไม่มีสาตกาสัพชัญญะก็เพราะว่าเราเนี่ยเวลาเราทําอะไรก็ตามเนี่ย ใจเราไม่อยู่กับสิ่งนั้นด้วยใจที่เต็มร้อยผู้นัคือไม่มีสติในสิ่งที่ทําจึงไม่มีความรู้ชัดนะในสิ่งนั้นไม่มีความรู้สึกตัวคนเราถ้ามีสตินะในสิ่งที่กําลังทําเนี่ยใจไม่ลอยไม่หลงไปง่ายๆเนี่ยมันยากนะที่จะลืมไปว่าเราทําไปเพื่ออะไรพอเราไม่ลืมว่าเราทําไปเพื่ออะไรเนี่ย ถึงเวลามีปัญหามีอุปสรรคนะเราก็ก็ยังชัดนะในสิ่งที่เราทำบางอย่างเราก็ไม่ถือสานะไม่เอามาเป็นอารมณ์อย่างเช่นจะไปเที่ยวภูเก็ตหรือเชียงใหม่ก็เราก็ไม่ถือสาเพราะไปที่ไหนมันก็ได้กระชับความสัมพันธ์เหมือนกันไม่มาโมเสเวลาเถียงกันว่าภูเก็ตหรือเชียงใหม่ดีนะเพราะว่า ไม่ลืมจุดหมายนะว่าเราไปเพื่ออะไรหรือว่าทํางานเนี่ยนะถ้าทํางานอย่างมีสติเนี่ยไม่หลงเพลินไปกับความสําเร็จหรือไม่ไปจมอยู่กับอุปสรรคเนี่ยมันก็จะไม่ลืมนะว่าเราทําไปเพื่ออะไรนะเราทําไปเพื่อครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็ต้องมีรู้จักจัดสรรเวลาให้กับครอบครัวไม่มัวแต่ทุ่มเทกับงาน จกนกระทั่งไม่มีแล้วครอบครัวบางคนที่ทุ่มเทจกนกระทั่งจบเจ็บป่วยนะทำงานหนักที่แรกตั้งใจว่าทำเพื่อครอบครัวแต่ว่าทํางานหนักจนกระทั่งเจ็บป่วยเป็นมะเร็งสุดท้ายเนี่ยที่ตั้งความหวังไว้ว่าเนี่ยเออเราทํางานให้เต็มที่คักอายุครบ50แล้วที่เหลือเราจะให้เวลากับครอบครัวเต็มที่หลังจา ก, กเกษียณเมื่ อ, อยุห้ บอกว่าทำไม่ได้ไม่เป็นไปอย่างที่คาดคิดเพราะว่าป่วยซะก่อนอายุไม่ถึง50ก็มาเสียใจนะว่าโอู้กแบบนี้นี่เราไม่ทุ่มเททำงานหนักแบบนี้เราจะให้เวลากับครอบครัวถ้าเลือกได้เนี่ยถ้ามีชีวิตรอดหรือมีชีวิตยืนยาวอีกหนึ่งวันอีกหนึ่งอาทิตย์ก็จะขอใช้เวลานั้นเนี่ยเพื่อลูก แต่มันก็ไมันก็เป็นแค่ความคิดนะเพราะว่าตอนนั้นสังขารมันไม่อํานวยแล้วที่จริงเนี่ยถ้าหากว่ามีความมีสติมีความรู้ชัดในสิ่งที่ทำเนี่ยนะไม่หลงเพลิดเพลินนะไปกับงานไม่ลืมตัวไปกับงานนะไอการที่เรารู้ว่าควรจะทําอะไรเราก็จะรีบทำเลยอย่างเช่นลูกชายเนี่ยที่ ตั้งใจจะพาแม่ไปเที่ยวแต่จนแรกจนลอกก็ไม่ได้ไปจนกระทั่งแม่ป่วยถึงตอนนั้นเนี่ยคิดอยากจะพาแม่ไปเที่ยวเลยต้องการยื้อแม่เอาไว้ให้หมอสู้เนี่ยที่จริงเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องรอเกษียณนะถึงจะพาแม่ไปเที่ยวไอ้ตอนยังไม่เกษียณนี่ก็พาไปได้นะแต่ว่าลูกชายเนี่ยก็ตั้งใจว่าเนี่ยเกษียณแล้วจริงจะพาไป ของแบบนี้นี่มันมันผัดผ่อนไม่ได้ถ้าคิดว่าควรทําก็รีบทําเลยไม่ใช่ว่ า, อารอกเกษียณเพราะว่าอะรๆมันก็ไม่แน่นอนถ้าคนที่มีสติกับงานที่ทําเนี่ยก็จะไม่ใจลอยหลงลืมแล้วก็จะรู้ว่าเน่ยถ้าอยากจะพาแม่ไปเที่ยวก็พาไปเลยนะไม่ต้องรอกเกษียน เดือนหน้าอาจจะชาไปด้วยซ้านะมันทำได้นะถ้าว่ามีสติมีความรู้สึกตัวในสิ่งที่ทำแต่พอไม่มีสติอยู่ในกิจที่ทำเนี่ยเรื่องไม่มีโจรระสัพชัญญาเนี่ยบางทีก็ลืมไปเลยนะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยทำไปเพื่ออะไระนั่นคการทำความรู้สึกตัวเนี่ยมันมันจึงเป็นสิ่งที่สาคัญที่จะช่วยทาให เราสามารถที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องและทำสิ่งที่สมควรทำมีจุดมุ่งหมายอะไรก็ไม่ลืมแล้วก็สามารถทำให้มันสำเร็จได้นะในเวลาที่เหมาะสม